ถึงวันนี้เจ้าหมีก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวเช่นเดียวกับเจ้าโฮมและเจ้าขาวน้องร่วมท้องที่ลืมตาดูโลกในวันเดียวกับมันกิจกรรมสำคัญของเจ้าหนุ่มสามตัวนี้ก็คือการสอดสายสายตาเล็งแลหาคู่ชูชมบรรดาสาวๆที่นางบุญพาให้สมญาว่าอีพวกแม่ไม้ผัวทิ้งจึงมักผากันมาป้วนเปี้ยน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 ข้าเป็นหนุ่มท้งแท่งควรหรือจะมากินแตงเท่าตายหรือว่ามันอาจจะคิดอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ที่รู้แน่ๆคือเจ้าหมียังคงครองตัวเป็นโสดไม่ยุ่งยิ่งสูงสิงกับไม้สาวตัวใดให้ต้องเสียความบริสุทธิ์ผุดผ่องและเพราะเหตุนี้ที่ทำให้มันเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของนายขุนทอง ยิ่งกว่าน้องสองตัวของมันข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือเจ้ามีนั้นดูเหมือนจะเป็นหมาที่ถือเนื้อถือตัวเป็นพิเศษผิดแปลกจากหมาทั่วๆไปกล่าวคือมันจะไม่ทำตัวสนิทสนมกับใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นหมาด้วยกันก็ตามยิ่งพวกเด็กๆด้วยแล้วดูจะไม่อยู่ในสายตาของมันเอาเสียเลยแต่ถึงกระนั้น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 ผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่หน้ากุฏิที่เจ้าโฮมเจ้าขาวและเจ้าหมีนอนเรียงรายกันอยู่คนที่หน้าตาเหมือนแขกหยุดจ้องเจ้าสามหนุ่มด้วยท่าทางเหมือนคนตกตะลึงเพื่อนที่มาด้วยต้องสะกิดให้หล่อนคลานเข้าไปนั่งอย่างข้างในกุฏินั่งลงแล้วหล่อนยังหันไปมองเจ้าสุนัขสามตัวตาไม่กระพริบจ้องไปจ้องมาน้ำตาหล่อนก็ไหลพราก อย่างไม่อาจจะกลั้นได้เมื่อถึงคิวเพื่อนที่มาด้วยกราบท่านพระครูสามครั้งแต่ตัวหล่อนไม่กราบด้วยเหตุผลที่ว่าหนูกราบหลวงพ่อไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะหนูเป็นมุสลิมศาสนาอิสลามก็มีข้อห้ามไม่ให้สาสนิ ก, กชนกราบไหว้พระหรือนักบวชในศาสนาอื่นหลวงพ่อคงไม่ว่าหนูนะคะไม่ว่าหรอกจ้ะหลวงพ่อกลับจะชมเสี อ, อีกว่า หนูเป็นคนเคร่งศาสนาดีกว่าชาวพุทธบางคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยด้วยซ้าแต่นี่หนูนับถือศาสนาอื่นก็ยังอุตสามาวัดที่จริงหนูก็ไม่ควรมาหรอกค่ะเพราะคนที่เขาถือเคร่งจริงๆเขาจะไม่มาวัดของศาสนาอื่นแต่หนูไม่เคร่งถึงขนาดนั้นหลอนหันไปดูเจ้าหมีเจ้าโหมและเจ้าขาวปากก็ถามว่า หลวงพ่อะคะสุนัขสีดำตัวใหญ่นั่นที่เจ้าหมีใช่ไหมคะทำไมหนูรู้ละ่ะถูกแล้วมันชื่อหมีท่านพระครูตอบก็เข้าไปหาหนูคะ่ะสาวมุสลิมว่าไปหาที่ไหนนี่หนูมาจากไหนกันจ๊ะมาจากบางมดคะ่ะบางมดฝั่งทนบุรี เพื่อนที่มาด้วยถือโอกาสพูดบ้างแล้วจ่ามีไปหาหนูที่ไหนละ่ะหรือว่าไปหาถึงบางมดโนนท่านเจ้าของกุฏิสงสัยค่ะหลวงพ่อแต่เข้าไปหาในฟันนะคะไปกับอีกสองตัวนั่นหรือมันแปลกมากเลยค่ะหลวงพ่อแปลกที่สุดในโลกคนเล่ามีท่าทางตื่นเต้นแปลกยังไงล่ะหนู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 หลวงพ่อกำลังฟังสาวมุสลิมจึงเล่าว่าในฝันหนูกำลังนั่งร้องไห้คือหนูปลูกบ้านให้คนเช่าค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ถูกเข้าโกงค่าเช่าเข้ามาเช่าอยู่เพราะใกล้จะสิ้นเดือนก็หนีโดยไม่จ่ายหนูก็ขาดทุนทุกเดือนจนเป็นหนี้เป็นสินเพราะต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟแทนคนเช่าหนูกลุ้มใจนอนร้องไห้ทุกคืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หนูก็นอนร้องไห้จนหลับไปแล้วหนูก็ฝันเห็นเขาทั้งสามตัวเจ้าหมีถามหนูว่านะนะร้องไห้ทำไมหนูก็ตอบว่านะถูกโกงค่าเช่าเขาก็บอกว่านะไม่ต้องร้องไห้หรอกไปหาหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสิหลวงพ่อท่านช่วยได้แล้วเขาก็บอกชื่อหลวงพ่อชื่อจังหวัดแล้วก็ชื่อเขาพอหนูตื่นขึ้นมาภาพในฝันยังแจ่มชัดอยู่ในความคิดแต่ว่าหนูลืมชื่อจังหวัด หนูจึงไปถามเพื่อนๆที่นับถือศาสนาพุทธว่ามีใครรู้จักวัดป่ามะม่วงบ้างก็หาคนรู้จักไม่ได้มืเอืนเพื่อนคนนี้เขามีญาติซึ่งเคยมาวัดนี้เขาเลยบอกทางให้หลวงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนเล่าสรุปลงท้ายด้วยการขอความช่วยเหลือผู้ที่นั่งฟังและคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไม่น่าเชื่อถือกลับพากันเปลี่ยนใจมาเชื่อเพราะอย่างน้อย เจ้าหนุ่มสามตัวที่นอนเรียงรายอยู่หน้ากุฏิก็เป็นพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดีแม้เจ้าหมีมันใจบุญจริงๆอุตสาหไปช่วยเขาถึงบางมดโนดท่านพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่เต็มกุฏิสงสัยว่ามันคงกลัวอัตต ม, มาจะไม่มีงานทำเลยไปช่วยหางาน มาให้เจ้านี่มันสำคัญนะักท่านพูดยิ้มยิ้มลุงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนเป็นมุสลิมยำ้ำจะให้ช่วยอะไรละจ๊ะช่วยให้คนดีๆมาเช่าบ้านหนูจะได้ไม่ถูกโกงค่าเช่าค่ะแต่คนดีๆนั้นหายากจังนะหนูหายากยิ่งกว่างมเขียงในมหาสมุทรเสอีก ท่านเจ้าของกุฏิเปรียบเทียบงมเข็มค่ะลุงพ่อถ้าเขียงไม่ต้องงมเพราะมันลอยน้ำได้เพื่อนของสาวมุสลิมแยง้งอ๋ออย่างนั้นหรือโอโ้โหถ้างมเข็มก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยสินะหรือหนูว่ายังไงท่านถามคนนับถือาศาสนาอิสลามแต่ถึงจะยากยังไงหนูก็เชื่อว่า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 แล้วศาสนาของหนูมีสวดมนตร์หรือเปล่ามีค่ะก่อนละหมาดเราต้องสวดมนต์ถ้าอย่างนั้นก็สวดไปตามที่ศาสนาของหนูสอนก็แล้วกันพอสวดเสร็จก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาให้เจ้ากรรนายเวรอ๋อถ้าลุงพ่อจะให้พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ห้า หนูไว้บูชาจะได้หรือเปล่าศาสนาเขาห้ามไหมไม่ห้ามค่ะถ้าเป็นในหลวงเขาไม่ห้ามแต่ถ้าเป็นพระถึงจะห้ามค่ะงั้นก็ดีแล้วหลวงพ่อจะให้หนูไปหนึ่งแผ่นหนูเอาไปใส่กรอบไว้บูชานะแล้วก็อธิษฐานขอพระบารมีของพระองค์ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองปฏิบัต ตามที่หลวงพ่อบอกมานี่นะไม่เกินสองเดือนรับรองรู้ผลหนูจะทำได้ไหมละ่ะได้ค่ะหลวงพ่อหล่อนรับคำแข็งขันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงพูดกับเจ้าของกุฏิว่าหลวงพ่อคะหนูมีอะไรบางอย่างจะสารภาพกับหลวงพ่อคะ่ะมีอะไรละจ๊ะจะสารภาพอะไร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 หนูก็ด่าไปว่าขอโทษนะคะหลวงพ่ออย่าหาว่าหนูหยาบคายนะคะหล่อนหยุดเล่ากล่าวคําขอโทษแล้วจึงเล่าต่อหนูก็ด่าไปว่าไอ้พระบ้าไอ้พระลามกหนูด่าอย่างนี้บาปไม่ค่าหลวงพ่อหล่อนถามถ้าจะบาปพระพวกนั้นท่านก็บาปกว่าหนูแหละเป็นพระเป็นเจ้าไปทําอย่างนั้นได้ยังไงท่านพระครูตําหนิติเตียน นั่นสิคะพอหนูด่าป้าหนูได้ยินเลยมาช่วยด่าอีกคนและป้ายังขู่ว่าจะบอกตำรวจพวกเขาก็เลยเลิกเต้นวันต่อมาเวลาเขาจะเต้นกันเขาก็จะปิดหน้าต่างมิดชิดได้ยินแต่เสียงเพลงดังออกมาป้าหนูขาเกลียดพระมากเลยค่ะหลวงพ่อปะว่าพวกพระนะ่ะเก่งอยู่สองอย่างเท่านั้นคือดูหมอและใบหวยนอกากนั้นไม่ได้เรื่องสักอย่างแต่พระวันี้ ไม่ไดีเป็นอย่างที่ป๊ะหนูว่านะเมื่อก่อนลุงพ่อก็เคยดูหมอเหมือนกันแต่เลิกไปร่วมยี่สิบปีแล้วส่วนเรื่องใบหวยลุงพ่อไม่เคยทำวันหลังหนูชวนป๊ะเข้ามาด้วยสิหนูบอกลุงพ่อให้มาพิสูจน์ว่าพระวัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นนะหนูนะป๊คงไม่มาแร้วค่ะ เพราะเขาเคร่งศาสนามากไปประกอบพิธีฮัตที่เมืองเมกาทุกปีนี่ถ้าปะรู้ว่าหนูมาวัดคงโกรธหน้าดูเลยแล้วหันไปกำชับเพื่อนสาวว่านิดเธอต้องปิดเป็นความลับนะห้ามบอกปะฉันเป็นอันขาดตกลงแต่เธอต้องให้สินบนฉันนะเพื่อนหล่อนว่าหลวงพ่อคะคนที่นับถือศาสนาพุทธเขาชอบเรียกสินบาทค่าสินบนอย่างนี้หรือคะ สาวมุสลิมถามท่านพระครูก็ไม่ทุกคนหรอกหนูที่เขาดีๆก็มีแต่หนูอาจจะโชคร้ายสักหน่อยที่มาเจอแบบนี้แม้หลวงพ่อหนูพูดเล่นตั้งหากล่ะคะคนเป็นพุทธแก้ตัวแต่ถ้าได้จริงๆก็ดีใช่ไหมละ่ะท่านพูดแทงใจดำก็ดีเหมือนกันค่ะโทหลวงพ่อคะ ใครบ้างไม่อยากได้เงินหญิงสาวพูดตรงๆเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องพูดอ้อมค้อมเสร็จธุระแล้วหนูถือโอกาสลาหลวงพ่อนะคะหล่อนเอ่ยปากลาหากไม่ได้กราบด้วยเกรงจะขัดต่อคำสอนในศาสนาของตนส่วนเพื่อนหล่อนกราบท่านพระครูสามครั้งแต่ไม่ได้เอ่ยปากลาผู้หญิงสองคนลุกออกไปแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่า เป็นไปได้หรือครับหลวงพ่อที่สุนัขจะไปเข้าฝันคนโยมไม่เชื่อใช่ไหมท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามเชื่อครับแต่ก็อยากได้รับคำยืนยันจากหลวงพ่อเพื่อความมั่นใจบุรุษนั้นตอบถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าเจ้ามีมันไปเข้าฝันแม่หนูคนนั้นจริงๆโยมอาจจะสงสัยว่า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 แล้วแต่กรรมที่ทำเรื่องการเวียนว่ายนี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในคำพีพระไตรปิฎกญาติโยมคงจำกันได้ว่าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขณะทรงบําเพ็ญเพียร อยู่ภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์นั้นในยามต้นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติแต่ห้นหลังได้อันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงเราไม่ได้เกิดห้นเดียวตายห้นเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกัน แต่ทีนี้ทำไมบางคนถึงระลึกชาติได้ทำไมบ้างคนระลึกชาติไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาไปเกิดเช่นสมมุติว่านายกอตายไปตกนรกพอหมดกรรมจากนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะระลึกชาติไม่ได้คือจำชาติที่เคยเกิดเป็นนายกอไม่ได้เพราะระยะเวลาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมันถูกขั้นด้วยการไปเกิดในนรกกับไปเกิดเป็นเดรัจฉานทีนี้สมมุติอีกคนหนึ่งสมมุติว่านายขอเกิดเป็นมนุษย์ พออายุได้ยี่สิบปีก็ตายเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อตายก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเขาเริ่มรู้ประษาเขาจะจำชาติที่แล้วของตัวได้เพราะช่วงของระยะเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์มันสั้นและต่อเนื่องกันจึงทำให้เขาจำอดีตได้เปรียบเทียบ ให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกเช่นอย่างกับตัวเรานี่นะเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเราเมื่อวานนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเราเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วโยมคิดว่าโยมจะจำอันไหนได้ที่เกิดเมื่อวานหรือที่เกิดเมื่อ2ี่สิบปีที่แล้วที่เกิดเมื่อวานค่ะสุภาพสตรีผู้หนึ่งตอบ ถูกแล้วเราจะจําสิ่งที่ใกล้ตัวได้ก่อนสิ่งที่ไกลตัวทินี้ในกรณีของเจ้ามีก็เหมือนกันนี่อาตมาเคยสัมภาษณ์มันแล้วนะมันรู้ภาษาคนเพราะชาติที่แล้วมันเคยเกิดเป็นคนเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นในเมื่อมันพูดไม่ได้แล้วหลวงพ่อสัมภาษณ์มันได้ยังไงล่ะครับ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 แต่ทีนี้ที่เจ้ามีมันทำได้เพราะมันมีสัญญาคือการจําได้หมายรู้มันมีสัญญาติดตัวหลงเหลือมาจากชาติที่เป็นมนุษย์จึงสามารถฟังภาษามนุษย์ได้รู้เรื่องทั้งที่พูดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะแปลกแต่จริงแล้วมันเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าอย่างไงบ้างครับ คนถามอยากรู้มันเล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วก่อนที่มันจะมาเกิดเป็นสุนักมันเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมัรคนายกของวัดนี้มาก่อนและที่ต้องมาเกิดเป็นสุนักเพราะกรรมที่มันชอบไปเรียรายเงินคนเข้ามาทำบุญเรียรายเก่งมากแต่ตัวเองไม่เคยเรียรายตัวเองเลย แม้มันจะทำบุญแต่ก็เป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองในที่สุดมันก็เลยต้องเกิดมาเป็นสุนนะัขแต่เรื่องกรรมมันซับซ้อนนะโยมมันซับซ้อนมากเจ้าหมีมันจะต้องมีกรรมอื่นมาส่งผลด้วยบวกกับกรรมที่ไปเอาเงินคนอื่นมาทำบุญ จึงทำให้ต้องมาเกิดในอบายภูมิคือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้เกิดที่วัดนี้หรอกแต่หลานชายของอาตมาเอามันมาจากบ้านเขาซึ่งอยู่คนละอำเภอพอมันมาอยู่ที่วัดนี้มันก็จำได้เพราะเคยอยู่มาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติท่านไม่ได้บอกพวกขาว่าก่อนที่มันจะมาเกิดเป็นมัคคณายก ได้เกิดเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพที่ไม่บอกเพราะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องบอกคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้จะผากกันคิดว่าท่านเพี้ยนเอาละ่ะยุติเรื่องเจ้ามีกันได้แล้วและอาตมาก็อยากจะบอกกับญาติโยมว่าถ้าใครอยากระลึกชาติได้ ก็ให้มันเจริญกรรมฐานถ้าระลึกชาติได้เมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นโยมก็จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอัตตมาตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าขออย่าให้ต้องเกิดอีกจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา ก็ไม่ต้องการทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละถ้ากรรมยังไม่สิ้นก็จำเป็นจะต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดก็ตามเอาละ่ะใครมีอะไรจะปรึกษาหาหรือก็เชิญ